ตรสรูชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังทำคำพุทธะจาตุมาสูตรเรื่องพระอาคันตุกะพูดเสียงดังมัชฌิมานิกายเล่มที่สิบสามข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบกมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับ อยู่นะบ้านอามาลกีวันใกล้หมู่บ้านจาตุมาก็าในสมัยนั้นภิกษุประมาณห0 0รูปมีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคลานะเป็นหัวหน้าไปถึงจาตุมาขามเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นพราศัยกับภิกษุเจ้าถิน่น จัดแจงเสนาสนะเก็บบาทและจีวรเป็นผู้มีเสียงอึกทึกอื้ออึงครั้งนั้นแหละพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาแล้วถามว่าอานนท์ผู้ที่มีเสียงอึกทึกอื้ออึง น, นั้นเป็นใครเรากะว่าการยื้อแย่งซื้อปลาของชาวประมง ในที่นั้นท่านพระอนุนได้กลัาตูนว่าข้าแต่พระงคผู้เจริญภิกษุประมาณ5้0้นั้นมีท่านพระสารีบุตรและพระมหาโมคลานะเพนุนามาถึงจาตุมคามเพื่อเข้าเฝ้ารับผู้มีพระภาคภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิน่นจัดเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรเป็นผู้มีเสียงอึกทึกอื้ออพระเจ้าข้ อ น, นุนถ้าเช่นนั้นเธอจงไปเรียกพิกสุท์เหล่านั้นมาเมื่อพิกสุทธ์เหล่านั้นมาแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่ส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพิกสุทธ์เหล่านั้นว่าพิกสุทธ์ทั้งหลายพวกเธอมีเสียงอึกทึกอื้ออึง แล้วกับการแย่งซื้อปลาของชาวประมงกันนั้นเพราะเหตุไรหนออาแต่พรงผู้เจริญภิกษุประมาณ500นั้นมีท่านพระสารีบุตรและพระมหาโมคลานะเป็นุนามาถึงจาตุมคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอคันตุกะเหล่านี้นั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสะนะเก็บบาตรและชีวร อ, อยู่ มีเสียงออกทึกอื้ออึงพระเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงไปเราขอขับไล่เธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายไม่ควรอยู่ในสำนักของเราดังนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นจึงลุกจากอาสนะกระทำปัทสินเก็บเสนาสะนะถือบาทและชีวรหลีบไปแล้วก็ในสมัยนั้นเจ้าสากยะ ชาวบ้านจาตุมามาประชุมกันอยู่ที่หอประชุมด้วยกรณียกิจบางอย่างได้เห็นภิกษุเหล่านั้นเดินมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นได้ถามกับภิกษุเหล่านั้นบ้าข่าแต่ท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายจะพากันไปที่ไหนเล่าท่านผู้มีอายุภิกษุสงฆ์ถูกพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่แล้ว แ, แต่ท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงนั่งอยู่ที่นี่สักครู่หนึ่งบางทีผพวกข้าพระเจ้าอาจจะให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยได้พิกษุเหล่านั้นรับคำดังนั้นแล้วลำ ด, ดับนั้นพวกเจ้าสากยะชาวบ้านจ่าตุมาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทแล้วได้กราบทูลกับ พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอพระองค์จงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระองคง์ทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในวันนี้เหมือนอย่างที่ทรงเคยอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดก็ในภิกษุสงฆ์หมู่นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นพระใหม่บวชไม่นาน พึ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะเพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปพืชที่ยังอ่อนเมื่อขาดน้ําก็จะเหี่ยวเฉาแปรเปลี่ยนสภาพไปได้แม้ฉันในก็ในภิกษุสงฆ์หมู่นั้นภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นพระใหม่บวชไม่นาน พึ่งมาสู่ธรรมะวินัยนี้มีอยู่ก็เะนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปพระเจ้าหรือเปรียบเหมือนลูกโคอ่อนเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะร้องหาเที่ยวสมสารไปแม้ฉันใดก็ในหมู่ภิกษุสงเหล่านั้นภิกษุทั้งหลาย ที่ยังเป็นพระใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมะวันนี้ก็ฉะนั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึ่งมีความน้อยใจมีความแปรผันไปเป็ชั่วข้าการแต่พระองค์ผู้จะเดินขอพระองค์ทรงชื่นชมภิกษุสงขอจงรับสั่งกับภิกษุสงเดิดขอพระผู้มีพระภาค ทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนอย่างที่ทรงเคยอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดพระเจ้าข้าก็ในลําดับนั้นเท้าสามบดีพรมทรงทราบความปริวิตกแห่งใจของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจของตนแล้วก็อันตรธานจากบรมโลกมาปรากฏที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนคนแข็งแรง เหยแขนออกแล้วครูเข้าเท่านั้นสามดีพรหมได้ห่มผ้าเฉียงบาาพระครองอัญเชลีได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมพิสุสง์ขอจงรับสั่งกับพิกษุสงเถิดขอพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์แก่พิสุสง์ในบนัดนี้เหมือนกับที่ทรงเคยอนุเคราะห์ในการก่อนที่เถิด ในภิกษุสงหมู่นั้นภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นพระใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมะวิ น, นัยนี้ก็มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปเปรียบเหมือนพืชที่ยังอ่อนเมื่อขาดน้ําก็จะเหี่ยวเฉาแปรเปลี่ยนสภาพไปแม้ฉันใด รเปรียบเหมือนลูกโคออนเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะร้องหาเที่ยวสมสารไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่ทรงเคยอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดพระชคา ก็ในที่นั้นเจ้าสากยะชาวเมืองจาตุมาและเท้าสามบดีพรมได้สามารถทูนให้พระผู้มีพระภาคเจ้าส่งพอพระไทยด้วยคำวิงบอลที่เปรียบด้วยพืชเตียงอ่อนและคำวิงบอลที่เปรียบด้วยลูกโคอ่อนกระนั้นท่านพระมหาโมคะนะจึงเรียกพิสุท์ทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พวกท่านจงลุกขึ้นจงถือบาตรและจีวรเถิดเจ้าสากยะชาเมืองชาตุมาและเท้าสามบดีพรมได้กราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยแล้วด้วยคำวิงวอนที่เปรียบด้วยพืชที่ยังอ่อนและเปรียบด้วยลูกโค อ, อนภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วลุกจากอาสนะถือบาตรและจีวร เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคจึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเมื่อเราขับไล่ภิกษุสงฆ์หมู่นี้ไปเธอได้มีความคิดว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์หมู่นี้ไป ข้าพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงกับไล่ภิกษุสงหมู่นี้ในบัด น, นี้แล้วพระผู้มีพระภาคจะทรงมีความขวนขวายน้อยจเจริญธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแม้เราทั้งหลายก็จะมีความขวนขวายน้อยจเจริญธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเช่นเดียวกันสารีบุตรเธอจงรอก่อน เธอจงรอก่อนทำเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันจงพักไว้ก่อนเธอไม่ควรให้ความเห็นแบบนี้เกิดขึ้นอีกลา ด, ดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงเรียกท่านพระมหาโมกขลนะมาแล้วและตามว่าโมกขล а н เมื่อเราขับไล่พิกสุสงหมู่นี้ไปเธอได้มีความคิดว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์หมู่นั้นไปข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่หมูภิกษุสงฆ์ไปแล้วในบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงจะมีความขวนขวายน้อยจเจริญทำเรื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันข้าพระองค์และท่านสารีบุตรจะช่วยกันปกครองบริหารภิกษุสงฆ์ในบัดนี้ ถูกแล้วถูกแล้วโมคลานะความจริงเราหรือสารีบุตรหรือโมคลานะเท่านั้นที่พึงปกครองบริหารภิกษุสงฆ์ในลําดับนั้นได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภายสประการเหล่านี้เมื่อบุคคลที่กําลังลงไปในน้ําพึงประสบ ภัยสี่ประการนั้นคือภัยที่เกิดแต่คลื่นภัยที่เกิดจากจระเข้ภัยที่เกเิดจากน้ําบนและภัยที่เกิดจากปลาร้ายภิยสูจน์ทั้งหลายก็ภัยที่เกิดแต่คลื่นเป็นอย่างไรเล่าคือในกรณีนี้บุคคลบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวขอ้องด้วยเรือนเพราะมีความคิดเห็นว่า เราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่าไรราพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค่งใจทั้งหลายคราบงาเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกมีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำไนาการทำที่สุดแห่งกองทุก์ทั้งสินนี้จะพึงปรากฏมีแกเราได้ดังนี้แล้ว รครั้นบวชแล้วเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันย่อมว่ากล่าวตักเตือนว่าท่านเป็นพระแล้วต้องก้าวเดินด้วยท่าทาง free. อย่างนี้อย่างนี้ต้องถอยกลับด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ต้องแลดูด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ต้องเหลี้ยวด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ต้องคู้แขนคู่ขาด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ ต้องเหยียดมือเหยียดเท้าด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ต้องนุ่งหม่มจับถือซึ่งสังกติบาทจีบอลด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เธอนั้นก็หวนระลึกไปว่าเมื่อก่อนเราอยู่ครองเรือนย่อมว่ากล่าวสั่งสอนผู้อื่นแบบ น, นี้พวกพิกษุคราวลูกคราวหลานของเรากลับมาคอยหาโอกาส ว่ากล่าวตักเตือนเราอยัง น, นี้เธอก็โกรธแค้นใจบอกเลิกสิขาหมุนกลับคืนสู่เพศต่ำแห่งกุลหัดภิกษุทั้งหลายภิกษุชนิดนี้เรียกว่าผู้กลัวภยัยอันเกิดแตกกลื่นแล้วจึงบอกเลิกสิขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งกุลหัดก็คำว่าภายัยอันเกิดแตกกลืนนี้ เป็นคำแทนชื่อเรียกสำหรับความโกรธความขับแค้นใจนี่แหละเรียกว่าภัยที่เกิดแตกลื่นแลภิกษุทั้งหลายก็ภัยอันเกิดจากจระเข้เป็นอย่างไรเล่าคือในกรณีนี้คนบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวขอ้องด้วยเรือนประมีความคิดเห็นว่าเราถูกความเกิด ความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลาพันธ์ความทุกข์กายความทุกข์ใจความรับแค้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกมีทุก์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำไนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสินนี้จะพึงปรากฏมีแกเราได้หังนี้แล้วครั้นเธอบวชแล้ว เพื่อนผู้ประวุติพรหมจรรย์ด้วยกันย่อมว่ากล่าวสั่งสอนเดอว่าสิ่งนี้ท่านควรเคี้ยวสิ่งนี้ไม่ควรเคี้ยวสิ่งนี้ท่านควรบริโภคสิ่งนี้ไม่ควรบริโภคท่านควรเคี้ยวกินลิ้มดื่มแต่ของที่ควรไม่ควรเคี้ยวกินลิ้มดื่มของที่ไม่ควรท่านควรเคี้ยวกินลิ้มดื่มแต่ในการที่ควร ไม่ควรเคี้ยวกินลิ้มดื่มนอกเวลาการดังนี้เธอนั้นก็หวนระลึกไปว่าก็เมื่อก่อนเราอยู่ครองเรือนปรารถนาสิ่งใดก็เคี้ยวกินลิ้มดื่มสิ่งนั้นเคี้ยกินลิ้มดื่มได้ทุกอย่างที่คิดว่าควรและไม่ควรทั้งในเวลาและนอกเวลาชรอยท่านจะห้ามปากของเรา ในการเคี่ยวของอันประนีตที่ขลารดีผู้มีศรัทธานำมาถวายในเวลานอกการในเวลากลางวันดังนี้แล้วเธอก็โกรธแค้นใจบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งกระเรัดอีกสุดท้ายบุคคลที่เป็นเช่นนี้แหละเรียกว่าผู้กลัวภยัยอันเกิดแต่จรเขแล้วจึงบอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคระหดพิสุทธิ์ทองไหลคำว่าภัยอันเกิดแต่จระเข้นี้เป็นคำแทนชื่อเรียกสําหรับความที่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องนี่แหละเรียกว่าภัยอันเกิดแต่จระเข้และพิษุทธิงไหลก็ภัยอันเกิดจากน้ําวนเป็นอย่างไรเล่า คือบุคคลบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะมีความคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจครอบงาเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกล่องทุกมีทุกขอยู่เฉพาะหน้าแล้ว ทำไนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏมีแกเราได้ดังนี้ครั้นบวชแล้วเวลาเช้าครองจีวรถือบาทเข้าไปบินดาบาทในย่านหมู่บ้านหรือนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาใจไม่กำหนดสติไม่สำรวมอินทรีย์ ในที่นั้นนั้นเธอได้เห็นกระบดีหรือบุตรกระบดีผู้อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยการมาคุณตั้งห้าให้เขาบํมเรออยู่เธอนั้นกลับหวนระลึกไปถึงว่าก็เมื่อก่อนเราเป็นเครือัดครองเรือนก็เป็นผู้อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยการมาคุณตั้งห้าให้เขาบํมเรออยู่ทรัพย์สมบัติในสกุลของเรา ก็มีอยู่เราอาจจะบึงบริโภคทรัพย์สมบัติไปพลางทำบุญไปพลางอย่ากระนั้นเลยเราจะบอกเลิกสีขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งกระดึกหัดบริโภคทรัพย์สมบัติพลางทำบุญพลางเธอดันงนี้เธอก็บอกเลิกสีขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งกระดึกหัดหนังนี้พิษุตังหลาย ภิกษุชนิดนี้เรียกว่าผู้กลัวภยัยอันเกิดแต่น้ำมนแล้วจึงบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งกรือขัดก็คำว่าภายัยอันเกิดแต่วังบนนี้เป็นคำแทนชื่อเรียกสำหรับการมกุณตั้งหนี่แหละเรียกว่าภัยที่เกิดแต่น้ำมนภิกษุต่างหลาย ภัยที่เกิดแต่ปลาร้ายเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในกรณีนี้มีศรัทธาออกบวจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะมีความที่เห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรลําพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความขับแค้นใจครอบงําเอาแล้ว เป็นคนตกอยู่ในกองทุกมีทุกขอยู่เฉพาะหน้าแล้วทำไนาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏมีกเัเราได้ดังนี้ครั้นบวชแล้วเวลาเช้าครองจีวรถือบาทเข้าไปบินทบาทในย่านหมู่บ้านหรือนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจา ไม่รักษาใจไม่กาหนดสติไม่สมรวมอินทรีย์ในที่นั้นๆเธอได้เห็นมาตุคามคือหญิงชาวบ้านนุ่งชั่วห่มชั่วเมื่อเธอเห็นหญิงชาวบ้านที่นุ่งชั่วห่มชั่วราคะก็เสียบแทงจิตของเธอเธอมีจิตอันราคะเสียบแทงแล้วก็บอกเลิกสิกขา หมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งเครือหัสภิกษุทั้งหลายภิกษุชนิดนี้เรียกว่าผู้กลัวภัยอันเกิดแต่ปลาร้ายแล้วจึงบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่มแห่งเครือัสภิกษุทั้งหลายก็คำว่าภัยอันเกิดแต่ปลาร้ายนี้เป็นคำแทนสำหรับเรียกมาตุคามคือหญิงชาวบ้าน นี่แหละเรียกว่าภัยอันเกิดแต่ป่าร้ายภิกษุตั้งหลายภัยสี่ประการเหล่านี้แหละเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ออกบวชเป็นบนรรพชิตในธรรมมะวินัยนี้พึงหวังได้ในที่นั้นภิกษุตั้งหลายเหล่านั้นได้ชื่นชมยินดีภาศิทธของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแหลจะจาตุมสูตร จุละอาสับบุรสูตมาจิมานิกายภิกษุตั้งหลายเมื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความเพ่งเล็งยังละความเพ่งเล็งไม่ได้มีจิตพยาบาทยังละความพยาบาทไม่ได้เป็นผู้มักโกรธยังละความมักโกรธไม่ได้เป็นผู้มักถือความโกรธ ยังละความถือกรดไม่ได้เป็นผู้ลบลูกุนท่านยังละความลบลูกุนท่านไม่ได้เป็นผู้ยกตนเตียมท่านยังละความยกตนเตียมท่านไม่ได้เป็นผู้ริษยายังละความริษยาไม่ได้เป็นคนตระณียังละความตระณีไม่ได้เป็นคนโอ้อวด ยังละความโอ้อวดไม่ได้เป็นคนมีมายายังละความมายาไม่ได้เป็นคนมีความปรารถนาหลามกยังละความปรารถนาหลามกไม่ได้ market market market market market เป็นคนมีความเห็นผิดยังละความเห็นผิดไม่ได้เพราะยังละกิเลสมีอภิชาเป็นต้นไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านั้น เป็นเรื่องมัวหมองของสมณะเป็นโทษของสมณะเป็นน้ำฝาดของสมณะเป็นเหตุให้สัตว์เกิดในอบายมีวิบากอันสัตว์ทั้งหลายจะต้องสวยในทุกขติเหล่านั้นเราไม่กล่าวพิสูจน์นั้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะอยงนี้เปรียบเหมือนอาวุธที่ขมกล้ามีคมสองข้าง ที่เขารับไว้อย่างดีแล้วหุ้มห่อไว้ด้วยผ้าสังคติของภิกษุนั่นเองนี่ฉันใดเรากล่าวการบรรพชาของภิกษุนี้ว่าเปรียบกันได้กับอาวุธมีคมสองข้างนั้นภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวความเป็นสมณะว่าเป็นสิ่งที่มีได้เพราะศัก์ว่าทรงสังคติของผู้ทรงสังคติเป็นต้นเลย ส่วนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากก็ละอภิชาได้มีสิทธิพยาบาทก็ละพยาบาทได้เป็นผู้มักโกรธเป็นผู้ลบหลูก่กุนท่านเป็นผู้ยกตนเตรียมท่านเป็นผู้ริษยาเป็นคนตรณีเป็นคนโอ้โอวดเป็นคนมีมายาเป็นคนปรารถนาหลามก เป็นคนมีความเห็นผิดก็ละธรรมที่เป็นบาปอา k u s o เหล่านั้นได้ภิกษุตัหลายเพราะละเสียได้ซึ่งกิเลสอันเป็นมลทินเป็นโทษเป็นด่างน้ำฝาดของสมณนะอันเป็นเหตุให้เกิดในอบายมีวิบากอันตนพึงสวยในทุกขติเหล่านั้นแลเราจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ปฏิบัต อปฏิบัติอันดีของสมณะพิสุทธนั้นย่อมพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอากุศลธรรมอันลามกทั้งปวงนี้เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอากุศลธรรมอันลามกทั้งปวงนั้นปราโมทก็เกิดเมื่อปราโมทปีติย่อมเกิดกายของเธอ ผู้มีใจปีติย่อมสงบระงรับผู้มีกายสงบระงรับแล้วก็สวยสุขจิตเมื่อมีสุขก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเท่นั้นด้วยจิตอันประกอบไปด้วยเมตตาแพ้ไปสู่ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากัน ตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ด้วยจิตอันประกอบไปด้วยกับกุณามูทิตาและอุเบกขาก็อย่างนั้นพิษุททั้งหลายสระโบกรณีที่มีน้ำใสจืดเย็นสะอาดมีท่าน้ำอันดีน่ารื่นรมถ้าบุรุษมาจากทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ หรือจากที่ไหนๆอันความร้อนแผดเผาเร่าร้อนลำบากกายมีความกระหายอยากดื่มน้ำเขามาถึงสระโบกกรณีนี้แล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำความกระวนกระวายความร้อนเสียได้แม้ฉันใดก็ฉะนั้นถ้าบุคคลออกจากสกุลกษัตริย์มาวดเป็นบนรรพชิต เธอมาถึงรรมัพินันที่ตาคุตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามูทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตสงบใจณภายในฉะนนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะหรือถ้ากุลบุตรออกบวชจากสกุลบราม สกุลแพทย์สกุลสูตรหรือสกุลไหนๆก็ตามมาถึงในธรรมาวินัยนี้แล้วเจริญพรหมิหารสีด้วย อ, อาการอย่างนี้ก็เป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะแต่ถ้ากุลบุตรเหล่านั้นจากสกุลต่างๆกันบวชเป็นบรรพชิตทำให้แจ้งซึ่งเจโตบิมุตและปัญญาบิมุต อันไม่มีอาสวะเพราะหมดอาสวะด้วยปัญญาณยิ่งเองในชาติที่ปรากฏอยู่นี้แล้วแล้วเข้าอยู่ในวิหารธรรมนั้นได้เรากล่าวว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายจุลอัสสับุรสูตรจบฟังธรรมคำพุทธะ